เพือ่อให้เป็นส่วนประกอบากับการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่ก็มีส่วนร่วงในกรรมฐานอยู่ที่ี่ก็มีอาจารย์ หลายลกูกช่วยกันมีนักปฏิบัติอยู่เป็นประจำทำสิ่งเดียวกันเป็นประจ ำ, เ ร, ะจำเรียกว่ากรรมฐานเราเชื่อมั่นในวิชากรรมฐาน เหมือนนายกธงวันตีเชื่อมั่นใด น, นายก ร, รัฐมนตรีอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหะเพราะอรรมฐานนี้เป็นทั้งปฏิบัติการเป็นทักวิชาการในตัวสิธย์ทุกคนตอบเอาเองได้ทั้งนั้นไม่มีใครตรวจสอบให้ ดังที่เราสาเทอพิสูตรมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำกายเป็นสูตรหนึ่งสติเป็นสูตรอันหนึ่งเมื่อกายเมื่อสติไปมีอยู่ในกายมันเกิดอะไรขึ้นมีเท่ากรรมีท่อ ง, งพบเห็นความเท็จความปิงที่เกิดขึ้นกับกาย แค่ไหนาเพียงไร่แล้วก็เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจถ้าเรามีสติสตเป็นตัวชั้นลยนอยไดทั้งหมดมีสติสตเป็นนักศึกษา เข้าไปศึกษากายเป็นดําลาบุ่มหกถึงความเท็จความจริงเลามันจะบอกนี่คือลูกนี่คือหลงมาพร้อมกับผิดถูกมาพร้อมกั น, ถ, กกนถ้ามีสติก็ทำได้ทุกเรณี ใช่ได้ระหว่าหลงระหว่างรู้ความเท็จความจริงผู้ปฏิบัติหลงเองผู้ปฏิบัติรู้เองไม่ต้องมีคําถามมีแต่คตนาตบเมลามันหลงแม่จะ ก, กลายก็ตามไม่แต่ใจก็ตามสุขทุกข์ก็ตามที่มันเกิดขึ้น ถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มั น, นก็ไม่ใช่โลกนสุขเห็นมันสุขทุกข์เห็นมันทุกข์นี่คือปฏิบัติการสุขเป็นโจทย์ทุกข์เป็นโจทย์หลงเป็นโจทย์เรารู้สึกขณะที่มันสุขมันทุกข์มันหลงเป็นเป็นี่เป็นการศึกษา เป็นการพิภาคษาแค่แค่แได้ทุกกรณีทุกเห็นเหมือนทุก <c oughs> <c oughs> ให้ทุกเป็นทุกเป็นกรรู้จักตัวมันตเชื่อมัดจอย่างนี้ในวกาารรมฐานบอกความทศษความเพียงทำได้ ปีภาคษาพ้นไม่เป็นจําเลยของขวมทุกข์ความหลงขวบโกกตอนหลงเป็นหลงเราตกเป็นจําเลยของขวมหลงหลงจนตายถ้าไม่มีการศึกษาภ า, าคปฏิบัติปฏิบัติต้องเปลี่ยนคือรู้นี่แหละคือเปลี่ยนรู้จักตัวมีสติปเญญายอยู่เป็นประจำ ผลความพอใจความโกรธความทุกข์ความสุขออกมามีสตินี่ด้วยว่าทำได้ทำได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เปลี่ยนห ล, ล, ล, ล, ลงเป็นไม่หลงแต่ก่อนหลงเป็นหลงบทนี้หลงเป็นรู้สึกตัวอนุบาลไปก่อนหลงที่ได้รู้สึกตัวอาศัายกรรมฐานเป็นที่ตัง้ง กลับมากลับมาทำได้โดยตัวเองไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีบุคคลที่หนึ่งที่สองอยู่ในตัวเองควมหลงกับความไม่หลงมาพร้อมกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์มาพร้อมกัน เ, น, น, นเห็นนะตอนเห็นนี่เป็นการศึกษาเห็นไม่เป็น ฉะฉลยได้แลเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงห้นจากความหลงเพราะสติไปทางนั้นเห็นความทุกข์ไม่เป็นทุกข์หุนจากความทุกข์เห็นกับเป็นมันต่างกันตรงนี้นาะเราไม่แยบคลายดีๆนะอย่าไปดื้อด้านตรงนี้ใส่ใจสักหน่อ ย, อยมีศรัทธา มีความเพียรมีส ah, ติไม่ีสมาธิมีปัญญาถ้าอย่างที่เราสาธยายไปชดว่าสัมมาว่ายโมคืออะไรความเพียรชอบปัญญาใดมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญา ถอนอาโกศที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกคือมันถอนแล้วมันมีทั้งหมดเลยในสติเนี่ในกรรมฐานนี่ไปโลกต้งความเพียนชอบต้องสติชอบทต้งต้งใจชอบต้องคิดชอบเอาสาที่ย่เมื่อกี้นี่เอาองคมรรคองค์ที่ที่ห้าความเพียนชอบ ใช่ไหห้าหรือที่หห้าสามมาบยาหมูสามะเศรษฐสามาสมาธิต่างไปสู่มรรคสู่ผลนี่คือเราเชื่อมั่นตรงนี้มากถ้าเรายกมือเข้ารู้จักตัวแะเขียนออกรู้จักตัวนั่นแหละแต่ว่าทั้ง ทั้งหมดแล้วจะได้ศึกษาทั้งหมดแล้วมันมาเองเวลาไม่อมรู้สึกตัวหวาหลงก็จะคู่กับความรู้วาทุกข์คู่กับความรู้วาอะไรก็รู้รูไปรู้เห็นพบเห็นถ้าเห็นไม่เป็นเรียกว่าเลือนเปลี่ยนบ่อที่บัด ปฏิคือโตตบทักท่วงตัวฉก<อ>เปีย น, เ, ยนเรียกปฏิบัติเปี่ยนลายเป็นดีนี่ว่าปฏิบัติเปียนผิดเป็นถูกเปียนทุกข์็ไม่ทุกข์เรียกว่าปฏิบัติ เ, เป็นภาคปฏิบัติปปปตไปในตัวฮบวงจรมีสติ เห็นกายอยู <c urs> <c urs out> out> uh> ่เป็นประจํากายไม่จะบอกคืออะไรแต่แรกเห็นกายเห็นใจเป็นกายจริงๆเป็นใจจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆไดเห็นเป็นกายจนง่ายๆแต่เห็นเป็นใจก็จนง่ายกายมันก็คือสุขคือทุกข์ ร้อนคือร้อนหนาวคือหนาวหิวคือหิวเจ็บคือเจ็บปวดคือปวดเรามาดูเข้าไปดูเข้าไปมันเห็นเป็นรูปมันมีรูปมันเป็นนามมันจึงรู้จับเก็บรู้จักปวดรู้จับร้อนรู้จักหนาวมันเป็นรูปมันเป็นนามสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูกปกับนามเรียกว่าอาการ มันละอองฝนก็หนาวเป็นอาการของลูกมันมีนาวมันจึงลูกมันไม่มันไม่เหมือนก้นเห็นต้นไม้เม็ดดินเม็ดทรายอันนั้นมันมีแต่ลูกมันไม่มีนามชีวิตที่เป็นลูกเป็นนามเนีมันเคยชิตของตัวเรานี่ มันมาเพื่อศึกษาถ้าไม่มีรูปมีดามัมนก็ทําอะไรไม่ได้ทำดีไม่ได้แล้วความชั่วไม่ได้แล้วมันก็เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยมั น, มนเปลี่ยนร้ยเป็นดีได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไปทุกข์ได้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้มันได้หลักฐาน มันเห็นเป็นลูกประธรรมเห็นเป็นนามะธรรมมันหลงมันเป็นนามะธรรมมันลูกเป็นนามธรรมไต่เปลี่ยนหลงเป็นลูกเรียกว่าได้ปฏิบัติได้เห็นได้เห็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกผลนามเป็นหาการ เป็นนาการจะเรียกว่าหนาวจะเรียกว่าร้อนมันมันมันดุนดนก้อนก้อนถ้าเห็นเป็นนาการของลูกเห็นมันร้อนเห็นมันร้อนเมื่อเห็นมันร้อนก็ง่ายที่จะไม่เป็นไปกับภาวะเช่นนั้นเห็นเป็นปัญญา เห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันหิวขอบคุณรูปที่มันแดงออกเพื่อเป็นการสัญญาณบอกความสุขความทุกข์ความจริงไม่จริงที่เกิดขึ้นกับรูปนี้สติจะได้ช่วยจะได้เห็นเหมือนเหมือนพ่อแม่ ผู้ใดไม่สติเหมือนอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็รู้สึกเนี่ยเห็นมันเบาๆอะไรที่เกิดขึ้นกับกายเห็นเห็นเราก็ไม่เป็นง่ายๆไม่เป็นก็เห็นถ้าไม่เห็นมิจะเป็นแต่เป็นแต่เป็นมันหน้าผามันฝ่องมันชันมันข้ามไปได้มันขึ้นไม่ได้ มันไม่ลาดเธ อ, อเห็นเนี่ยมันจะลาดชีวิตที่ลาดเอียงไม่ไม่เหมือนกับหน้าผาปีนป่ายไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นถ้าเป็นฝั่งเจ้าพยาที่ไม่มีท่าก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีท่าเทียบเหมือนรูดูกันเทียบท่า เพิ่งขึ้นได้อันนี้ก็ก็ชีวิตของเราก็เหมือนกันศึกษาเนี่ยมันทะลุมันย่อยให้เป็นให้เป็นชิ้นเป็นส่วนให้เป็นชิ้นเป็นส่วนนี่อยู่ในรูปในนามนี่นะมีสติเห็นไปนเห็นไม่เป็นเมื่อไปเป็นก็พ้นจากสิหลน้น เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงทุนเจความหลงมันมีอยู่อย่างนี้เลยเรยว่าของจริ ง, ม, ม, ม, งมันบอกความเท็จความจริงพราพุทธเจ้ า, จาตารัสรู้อริสตีเห็น ความเป็นจริงเราได้เห็นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ทำได้อย่างนี้เห็นความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ปาโกดอย่างนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นถ้ามันหลงไม่เห็นมันหลงมันไม่มีความเป็นจริงหลงเป็นหลงไม่เป็นความจริงหลง ไม่จริงความไม่หลงมันจริงสัมผัสได้ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงเรามีความรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเห็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสัจจะของความเพีความจริงของมันไม่ต้องมีคําถาม ทำได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สนุกมันหลงทนไหนหลงในกายหลงในความสุขความทุกข์หลงในความคิดหลงในอารมณ์ที่มาเกิดกับจิตกับกายกับใจาทีหลงในอารมณ์อารมณ์ร้ายกาเสือ ความลอยความมากแล้วเรืงคิดเฉยๆก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองคิดแบบกัดตอดตัวเองนั่นแหละว่าอาหลงบางทีเอาความทุกข์มาเป็นตัวเราเอาความโกรธมาเป็นเรามันหลงอะ่ะถ <c oughs> ้าไม่หลงก็เห็นได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากความหลงมากมาย นี่คือช่วงมั่นในวิชากรรมฐานมันเป็นทั้งวิชาการเป็นทั้งปฏิบัติเป็นอะไรคุบไปทั้งหมดเลยมาพร้อมกันรวมหลงมาพร้อมกันก็นกนไม่หลงเหมือนหลังมือหน้ามือผู้ปฏิบัติทำเอาเอง เห็นร uh. ok. like. ูปเห็นเป็นรูปเป็นนามมันบอกความเทศความเพียงรูปมันบอกนามมันบอกเป็นสูตรไปรูปทำนามทำมันทำดีมันทำชั่วรูปเนี่ยทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำชั่วได้สำเร็จรูปเนี่ยทำดีก็ได้สำเร็จ บางทีถ้าเาไม่รู้เสียเปียกความโกรธเสียเปียกความทุกข์บางทีก็เอาความทุกข์ว่าเป็นเราทำตามความทุกข์าำตามความโกรธทำตามความหลงเสียผู้เสียคนมีชีวิตมีกายมีใจก็พึ่งไม่ได้ ร่รอยคมดีฟูฟูแฝบแอย่างเมื่อวานก็มีคนข้าตัวตายบ้านท้ามาไปหวานผูกคอตายเ้ยร้านขายของใหญ่โตที่สุดในบ้านท้ามาไปหวานข้าตัวตายผูกคอตายอะไรนะ เกิจากอะไรเกิจากอารมณ์ทำรายตัวเองก็ได้ทำร้อยคนอื่นก็ได้มันอันตรายถ้าเราไม่ศึกษาวิชากรรมฐานไม่รู้มันจึงมารู้จักตัวเองโยอนอาจารย์พุทธทาสมารู้จักตัวเองคำนี่หมายว่าคนพบแก้วได้ในตัวท่านานั่งอกตัวทาไมให้ป่วยกัน ดอกบวัวบานอยู่ในเหล่ายาดเขาไปไม่ดอกบวัวมีไม่หนีอันเอกุตเมื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตัดชะลู้ลู้สิ่งใดล้วนมาจากความลู้ตัวสูงเองพระเจ้าคุณพุณทธท่านกองอวัยเนี่ยมาลู้ตัวเองวิชากรรมฐานเป็นการเรียนลู้ตัวเองฮก บ, บงโจร เป็นท่องเล่าความชั่วถ้ามีสตินะนะเป็นท่องทำความดีกณะที่เรามีสติมันก็เลาความชั่วแล้วมันมีสติคอยดูแลอยู่เนี่วิชากรรมฐานคือวิชาที่มาดูแลตัวเองอย่าปล่อยทิ้งตัวเองก็มีอะไรม่ไอไอกายมีใจดูแลให้มันคุ้ม ปล่อยทิ้งไม่ได้อันตรายมีสติดูแลกายเพื่อนไหวให้รู้อยู่นี่เวลาไม่คิดไปก็มาอย่าปล่อยไม่คิดได้ทุกอย่างจะคิดอะไรก็ได้กั้นรือคิดอ่ะใช่สเปตปาอย่างนั้นไม่ได้คิดสมสรนหอบิวเขาหู่ไปไหนก็ได้ไม่ได้เป็นโฟกัสนี้คิดคิดสมสน คิดอะไรก็ได้ไม่รู้จักสอนจิตตัวเองหกนุ่นคุณนคิดไปทั่วกองคืนเป็นควังวันเป็นเปลิวต้องมีกรรมฐานสอนสอนคิดไปรวมคิดมีสองลักษณะคิดที่ไม่ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเป็นสังขารเป็นสมุทัยพุ่งแทงไปเมื่ออยากคิดมันก็คิดเวลางงหัวเร่งมาคิดจะนูไม่หลับ หลบขณะที่คิดก็ฝันไปหมดเที่ยวหมดแรงไม่สอนตัวเองไม่สอนกิจไม่มีกรรมฐานไม่มีหลักมีฐานไม่มีที่ตั้งเทีเ่ยงกว้างกรรมฐานจึงเป็นวิ ช, ชาที่มาดูแลตัวเองให้มันคุ้มมันไปทั้งไหนก็กลับมารวมคิดสองมีสองลักษณะตั้งใจคิดไม่เป็นไร ตั้งใจที่จะรู้สึกตัวอยู่นี่ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาตัวเองกรรมฐานตามรูปแบบหลวงปู่เทียนสอนมันกัะทัดรัดรู้สึกตัวทุกวินาทีจิตใจจังหวะแต่ละจังหวะไม่ห่างกันเกินวินาทีหนึ่งพแยากันเกินนี้เท่านั้นรู้ทุกวินาทีมันจะเห็น มันจะโลภมันจะครบโลภนี่ละ ว, ว่าวิชากรรมฐานลองดูสิขอให้มีสติสัมผัสกับกายอยู่เป็นประจำมันจะเกิดอะไรขึ้นพิสูจน์ตนเอขอให้ใช่ที่นี้เป็นที่พิสูจน์เรื่องดีกันให้อะไว่าใช่ที่นี้ลองดูสิเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนในด้านวิชากรรมฐาน ท่านหลงเราเคยหลงสิ่งที่ท่านหลงลงไม่หลงอยากจะบอกอย่างนี้ท่านทุกสิ่งที่ท่านทุกต้องไม่ทุกสิ่งที่ท่านโกรธต้อไม่โกรธมันมีนะยอนไปมองว่าเหมือนกันหมดนะถ้าเราศึกษาปฏิบัติมันเปลี่ยนได้พ้่นภาวะเก่าล่วงพ้่นภาวะเก่า ตางเก่าเคยหลงอาจจะไม่หลงเคยโกรธอาจจะไม่โกรธเคยทุกข์อาจจะไม่ทุกข์เพราะเห็นมีความรู้สึกตัวเห็นหลงที่เด็กเห็นหลงกลายเป็นความรู้เห็นทุกข์กลายเป็นความรู้เห็นอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้ตัวรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลือยทั้งหมดเลยมันสนุกนะกรรมฐ า, านนะ ได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกโอยมันมีฝีมือเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรที่เ ง, งั่นใจเท่ากับเปลี่ยนหลงเป็นลูกโยนโกรดเป็นลูกมันมีอย่างนี้นะมาพร้อมกันมาเป็นคู่กันมนษษั้นพระสิทธิธรรมมองชีวิตเป็นคู่ เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดแน่นอนเมื่อมีเจต้องมีไม่เจแน่นอนเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บแน่นอนเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอนเอาละจะศึกษาเรื่องนี้ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้หลวงเจึงออกศึกษาเรื่องนี้ทำ สุมหาไปใช่เวลาทั้งหกปีหมดจนไม่มีใครทาจำมือเหมือนได้จริงหันมาที่ศึกษาเรื่องอื่นมรรคผยมทรลโยุรมานตนศึกษาเรื่องนี้ไม่สำเร็จจนเหลือจนหนังหูปวดดู บรรจารีต้องจับลูกจับนั่งเวลาจะลงอาบน้ำในลังชลาต้องโ ส, สมลงไปต้องโสมขึ้นฟังไม่มีแรงจับท่องถูกหลังจับหลังถูกท้องบานน้ำยังมีกิเลสตัายังโกรธบรญญาวขียังคิดถึงพิมพาราหนุนคิดถึงอะไรอะไรอยู่อู้ น้อยข้อมูลอู้มันเกิดจากนี่มันเกิดจากจิตจากใจเราจะมาทรมานกายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีใจด้วยมันมีอะไรที่มันเกิดกับใจแม้แต่ผจนเหงื่กระดูกมนุงเหมือนเดิมใจเคยทุกข์เคยทุกข์เคยโกรธเคยหลงเคยล่าเคยไข่เกิดอะไรต่างๆยังไม่อยู่ที่ใจอู้เราจะมาเล่นจิตใจอะไรคือมัน จะเห็นจิตใจกเลยตัดทิงใจค้นคัว ด, ด้วยตนเองตัดทิงใจตัวเองโน้นมาที่ในรันชลาแถวเถบบ้านนางสุดชาดาใช่ไหมใช่ัหมแต่ตุ่มกับพรนโนเถึงกลับมาที่สองวันนี <laughs> ้ไปจินเดียตั้งเดือนหนึ่งนะ เป็นอย่างนี้นะคืนเดียวในคืนนั้นกู้เฉินเข้ารู้สึกเหยื่อเฉันออกรู้สึกเนี่ยในคืนมันเป็นเดือนหกนองกู้ฉันเข้ารู้สึกนองเหยื่อเฉันออกรู้สึกเวลามาคิดไปกลับมารู้สึกตัวคิดถึงพิมพา์ากลับมาคิดถึงหลอหุ่นกลับมา คิดถึงปัจจาสตามลูกลับมาคิดถึงสาวสนมกำนันในกลับมามันคิดไปที่ไหนกลับมาปฏิคือกลับมากลับมากลับมาคือมันไปแล้วกลับมาไม่กี่ลอบนะจนเห็นแก้คืนเดียวเท่านั้นเองนี่สูตรเนี่ยไม่ใช่มาสร้างขึ้นใหม่มาพระพุทธองค์ทำอย่างนี้ในคืนแรก รู้แขนเข้ารู้สึกเหยียดแขนออกรู้สึกตัวให้รู้อยู่านี้เอากายเป็นนิมิตเอากายเป็นที่ตั้งวงรู้สึกตัวจะไปคิดเอาไม่ได้ต้องสัมผัสอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้รู้อย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คิดไม่ใช่ท่องจําจำถ่านเป็นอย่างนี้ต้องสัมผัสเป็นภาคสัมผัส ทั้งทิษฎดีและวิชาการในตัวเองทั้งปฏิบัติการไปในตัวก็อไอ้เห็นเนี่ ย, ยก็เราก็ได้สาเถพระสูตรได้สวดธรรมาจาักรวัฏสูตรด้รยจบแล้วหมุนไปแล้วธรรมาจากักรตัร้งขึ้นแล้ว<ร>นุมีสติก็ไปแล้วไปจากอะไรมีความรู้ก็ไปจากความหลง หมุนไปแล้วเมื่อมีความลูกออกไปจากความหลงไกลออกไปไปไปลูกมากความหลงก็นน้อยลงลูกมากเป็นมหาลูกความหลงก็นน้อยลงไปเป็นเ่นี่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่บ่อยตะคุบตะกับนะทำไมจังหลงทำไมจึงหลงมันหลงลลลลเห็นมันหลงมันผิ ด, ดลลลเห็นมันผิด มันถูกเห็นมันถูกมันสงบเห็นมันสงบมันไม่สงบเห็นมันไม่สงบมแต่เห็นไปเลยไม่มีอะไรที่ว่าเป็นส e ักอย่างมแต่เห right ็นม no ันเกิดอะไรขึ้นกับอะไรกับใจเราเห็นเนี่ยเห็นไม่ใช่ตาเห็นมันเป็นลาโลบคือตาหน่อยคือจิตมันมีอะไรที่ปิดบังได้ถ้าเห็นเราไม่มีอะไรที่ปิดบังได้ถ้าเห็นเราเกิด ได้คําตอบเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์เห็นมันคิดไม่ได้เป็นผู้คิดพ้นจากความคิดกลายเป็นความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เราว่าที่เห็นไม่เป็นใหญ่มาก ไม่มีอะไรที่มาตั้งเหนือภาวะเช่นี้ได้ความหลงแท้ๆมันได้ความไม่หลงเป็นยอดใหม่ได้ยอดใหม่ชีวิตได้ยอดใหม่ตโตยอดใหม่กรรมฐ า, านมันตโตยอดได้ใหม่จากความหลงเป็นความไม่หลงความหลงเป็นยอดเก่าความไม่หลงจะเกิเจาความหลงเป็นยอดใหม่ขึ้นมาพระพเจ้าจัดจะรู้ทุก แต่แค่ไมเป็นพุทธเจ้าทุกเป็นพุทธเจ้าได้ภวมวเที่ยงที่เป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประความทุกนี่แหละเป็นทางพระนิพพานพุทธเจ้าออกจางนี้จะย้ดนใหม่ด้วยพระนิพพานประความเป็นทุกข์พระความไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงเคเป็นทุกข์ปรความทุกแบบนี้ วามไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์วามงเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์หดแห้งไปเกิอดแห้งไปมันไม่จริงความทุกข์วามไม่ทุกข์มันจริงกว่าวามงโกรกก็ไม่จริงวามไม่โกรกมันจริงกว่ามันมีคาตอบอย่างนี้ตอบเองได้ทั้งนั้นทุกคนเมื่อปฏิบัติตามธรรมเอาลบพัะธรรมความ หลงไม่เป็นธรรมกลัมไม่หลงเป็นธรรมจรึงเคารพพระธรรมพระธรรมไม่อยู่ทุกคนให้เคารพความจก่งอย่างนี้ปฏิบัติธรรมอย่าทําตามอธรรมเคารพพระธรรมเลือกได้ชีวิตเลือกได้รู้จักเลือกอย่างนี้รู้ว่าชนะมีวาชนาบาลมีมันหลงที่ได ไม่หลงมีบารมีแล้วงั้นหลงพรไม่หลงมลงงันทุกข์พรไม่ทุกข์นี่บารมีวาชนาบารมีทาเอา <c oughs> ทำเอาก็เป็นเขีขอกวาดลงไปไหนกายในใจเรานี่มีสติสัมบัญญัตยะมันแข็งกันได้ อย่าไปนึกว่าบุญว่าสนาแข่งกันไม่ได้ไม่ใช่เลยแข่งได้เขาหลงเราไม่หลงเขาทุกเราไม่ทุกเขาโกรธเราไม่โกรธคนหนึ่งโกรธคนหนึงจะต้องไม่โกรธช่วยคนที่โกรธปฏิบัติธรรมมันไปได้เวลามาดูแลตัวเองดูแลตัวเองเราก็เห็นคนอื่นไปเอง งานไปเองนั่นเราต่างคราเวลาเราหลงเราเพิ่ไม่หลงมันก็คิดไปเองมันก็เป็นไปเองโอ้คิดเห็นคนอื่นคิดเห็นคนอื่นเมื่อคิดแล้วก็ช่วยคนอื่นได้เป็นไปเองเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลไปเองแล้วก็เห็นคนอื่น เช่นเชิงเงินวัตถุเกิดแต่ก่อนเคยหลงเคยโกรธเคยทุกข์เมื่อไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาช่วยคิดจะช่วยช่วยไม่แต่เมตตินไม่ถห็นเมตใจไม่บียดเป็นอะไรมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปเอง <c oughs> จึงว่าเวลาสำคัญเอาเวลามาศึกษาตัวเอง ควรจะรู้ตเตงก่อนคนอื่นเมื่อรู้เตีเองเราก็รู้คนอื่นได้เมเราก็เป็นศัพว์สังคมมีครอบครัวผัวเมียจะต้องช่วยกันได้คนหนึ่งหลงเราไม่หลงเราเคยหลงเห็นใจคนหลงช่วยกันให้เป็นไม่ใช่ว่าคนหนึ่งหลงคนหนึ่งโกรธ ค, คนหนึ่งก็โกรธตามอีกไม่ใช่แบบนั้น มันจะต่างกัาอย่างนี้มันจะรู้จับช่วยกันได้ช่วยคนที่หลงไม่หลงนี่มันเป็นบุญช่วยคนที่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันเป็นบุญเนี่ยนพำพัรนสอนเป็นเพื่อนเขาโอกคเขาใจหาทางออกช่วยยิ่งเราเป็นผัวเปเมียกันเองนะจะช่วยกันอย่างบ้าคืเดียวเป็นอะไรพ่อทไมมีเรื่อง อ, องินฉันเป็นเมียของพ่อ จะช่วยเหลือถูกตัวกันทุกโดยกันบอกเสีเมียลอยก็ทุกคนเป็นอะไรไหมเราเป็นสามีของแม่เป็นผัวของแม่ได้ช่วยเหลือเมียลอยบึกษาเลยถ้าขอเพียงว่าเราเนี่ยแหละทำไมขอโทษโอ้เมียลอยขอโทษขอโทษจอมันจากมันมันก็ดีกันมันก็ชอาศัยกันได้พึ่งบอาศัยกันได้นะ คนถนึงโกรธก่อนคนโกรธที่หลังน่ะงูขู่คนโกรธก่อนสองเท่ายังหลงกับเขาอยู่เราเคยเสียเปรียบเราเคยคน้นเราอยู่ดีๆคนมาบ้าเราเราเคยโผดมันงูเด้อมันล่าสมัยเราเด้อทุกคนเนี่นะยถ้างงยังหลงยังโกรธยังทุกข์อยู่คนล่าสมัยเรานาะทันสมัยที่สุดก็กรรมาฐาน <c oughs> วิชาที่ทันสมัยที่สุดคือวิชากรรมทานวิชาที่ทันสมัยที่สุดคือกรรมฐานนี่จะทำให้เกิดชีวิตรอ่ดีๆลูกสาวชีวิตรอบดีเป็นทันสมัยถ้าไม่รูวิชาสวิชานี้อันตรายโลกหมุนกี่เข้าไปสู่ความหมายชนะเดือดร้อนเดี๋ยวนี้โลกเอดร้อนเพิ่มขึ้น ก็มาตรฐานมันจึงตึงทันสมัยมากถ้าเรามีสติเวลานี้ก็เป็นคนคนเดียวกันเอาใช้กันได้ถ้าเรามีสตินะั่นก็ละความชั่วทําความดีทําคิดทั้งบริสุทธิ์อยู่ทุกคนมีสติถ้าขาดสติก็อาใช้กันไม่ได้แล้วเป็นคนละคนกันไปต่างคนต่างคิดต่างมีอารมณ์เขา้า กระทกว่ทาทั้งกันเปิดภาวะต่างๆขึ้นมาอาศัยกันไม่ได้แม้แต่เราก็อาศัยเราไม่ได้มีใจก็อาศัยใจไม่ได้คุ้มร้ายคุ้มดีไม่มั่นใจตัวเองโอ้น่าเสียดายอะไรเป็นอย่างนั้นพูดออกมาได้ไม่มั่นใจตัวเองมันอยู่กับเราแท้ๆเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ เมื่อนกับพระบองสุขุณอันนี้จอวัดสังขารสังขารเกิดขึ้นแล้วจเราแล้วหนองนหลงแล้วหนอมันโกรธแล้วหนอบองสุขุลตัวเองอุปาทาวยายทรรมโนเพราะเราไปยึดว่าเราไปยึดว่าความโกรธคือเรามันไม่ใช่นะอุปคิชตวาลดูฉันติแค่ได้แค่ได้ เปี่ยนได้อยู่เวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้อยู่เตสมุปสมโมสุขโขเมื่อเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธยก็อยู่เป็นุศนาะบองสุกคนเราทํากันอย่างไรไปซักเอาผ้าอ่าอะไรบองสุกคนที่เขาวางไว้ผลเห็บจบผลเชิงตะโกนได้ผ้ามาที่จึงบองสุกคนตัวเอง สังขารเกิดกันแรกจะเราหนอหมือนี่อยู่ดีๆมันโกรธขึ้นมาโอ้นี่คือสังขารสังขารมันไม่เที่ยงอย่าไปเชื่อบริยิทําตามมันจะเสียเพียรมันให้ควมโกรธพานทำพาคิดพาอะไรต่างๆอย่าไปเชื่อมันสังขารอะไรชื่อว่าสังขารไม่เที่ยงเท่งนั้นพระเจ้าบอกว่าเหมือนนายช่างปั้นหม้อ โม่ไม่แต่ลูกไม่ดีลูกสวยลูก แ, <ถ>แตกแตกเท่านั้นอะไรที่เกิดจากสองขานเกิดขอึ้นมาผงแต่งจิตใจเราเนี่ยไม่เที่ยงดอกออปคิตวะวารู้ชัน้นเถี่ยนน้อยเปลี่ยนได้หยุดน้อยหยุดได้นี่เราบ่กหัดตนสอนตนเป็นวิชากรรมฐานฝึกตนสอ น, สอ น, สอ น, นตอนไม่มีใครสอนเอาไะทําให้เป็นตอนทําให้เป็นนี่ไม่มีใครสอน ไม่มีครสอนได้ไม่มีสถาบันสอนให้ได้มีแต่การสอนให้ลูกตัวโไปมี่องานสอนนี่เป็นนี่เราต้องสอนตัวเองมันหลงเปลี่ยนไม่หลงมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธางนี่เรืวว่ากรรมฐานอันนี้ก็พูดถึงมันชวนโกกในวันนี้อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้าย<ก> <laughs> เพราะว่ามันไม่มีจริงจริงนะ่ะ <laughs> อาจจะไปที่ไหนเ ม, มื่อไหร่ก็ นี่แหละนี่หลวงพ่อมันมีเวลาเลยมีแต่ครั้งสุดท้ายทั้งนั้นนอนตื่นขึ้นมาเอออาจจะไม่ได้นอนอีกแล้วที่นอนนี่สั่งลาที่นอนเจ็บข้าวเจ็บของเวลาจะนอนลองไปเออนอนเขินสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ตื่นกันแล้วเอ อ, อย่าไม่ประมาทจะได้ได้ประมาจะได้ทําชีวิตให้สมบูรณ์แบบมีอะไรที่เป็นความดีนี่นั่งอยู่นี่ทําดีต่อกัน อะไรที่มันเป็นความดีจากการใช้ชีวิตวินาทีหนึ่งวินานะทีหนึ่งมาลู่รูุถือเนี่ยคมมันจะมีประโยชน์มากเอามารู่เนี่ยรู่ทุกวินาทีรู่ทุกวินาทีเนี่ยให้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาก็จบแค่นี้ตอนเช้ากล่าวพระความกัน